เป็นไงรู้เรื่องเงี้ยใจเราค่อยหนีไปเรื่อยๆคอยรู้ทันเรื่อยๆดูออกบ้างไหมใ่ชอบไหลแแบแวบบแแบบๆๆหนีทั้งวันให้ค่อยรู้ไปเรื่อยๆเมื่อใจหนีไปก็คอยดูมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่มันหนีไปแล้วอย่าหนีอย่าไปดึงมันนะถ้าไปดึง ม, มันจะอึดอัดเอาแค่ว่ามันหนีไปแล้วก็คอยรู้เอา สี่แล้วค่อยฝึกไปอ่ะคุณมลสี่แล้วใช้ได้อ่ะคุณมุตดล่ะโอ้ส่งกันบ้านอย่างนี้ดีง่ายดีอ่าตับถูกใช้ได้บังคับแล้วบังับดูดานพอมีมองอะมันก็จะมันก็จะเบียดไปแรงไปไม่มามันแค่ปรับข้างฟุ้งซ่านมนะันก็ดึง ของคุณมนดีแล้วแหละจะได้อ่ะนั่นแหะนี่ป่ะกอนข้อให้ปฏิบัติก็คือในรูแปแบบว่าก็เหมือนกับจะเริ่มมีแรงขึ้น อ, อมันมีแรงขึ้นแต่ะวันมเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยากอยากดีไม่ชอบไม่ดีไม่เห็นความก็จะเบาๆเ อ, อ่มันก็หางานทำนะนักปฏิบัตินะจะพลาดตรงที่คิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทา แล้วก็หวังว่าถ้าทําดีๆแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเราบรรลุได้เพราะจิตมันหยุดการกระทำํำนี่จิตจะหยุดการกระทําได้ถ้าเรารู้ทันจิตชอบแอบไปทํางานดูออกใช่ไหมแอบทํางานทั้งวันเลยถ้ารู้ทันมันก็หยุดมันก็ดับลงชั่วขณะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาทํางานใหม่ขึ้นมาอีกก็รู้อีกในที่สุดเราจะเห็นเลยจิตที่เป็นของบังคับไม่ได้เขาจะทํางานเขาก็ทํานะ เรารู้ทันระดับไปเราจะบังคับตัวเองให้รู้ตลอดเวลาก็ไม่ได้มีแต่คำว่าไม่ได้ดีแล้ ว, ลวทำถูกแลวทำได้ดีนะรู้สึกไหมใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว ดูไปนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับหมนเลยบังคับไม่ได้ซะนั้นเดียวเรียนจนเห็นว่าจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้เบื้องต้นจะเห็นอย่างนี้ว่าจิตบังคับไม่ได้ก็ละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราได้เป็นขโสดาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอีกเห็นจิตนั่นแหละตัวทุกข์จิตไม่ใช่ตัวดีหรอกคนที่หัดภาวนาใหม่ๆจะรู้สึกว่าถ้าจิตหลงไปจิตไปยาจิตไปยึดจิตถึงจะทุกข์ จิตไม่อยากจิตไม่ยึดนะจิตรู้เนื้อรู้ตัวจิตจะพัดสอนของใสบอกว่าไม่ทุกข์ปัญญายังไม่แก่รอบพอแลจิตเป็นตัวขันยังไงจิตต้องทุกข์แน่นอนถ้าวันใดเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะจิตมันจะปล่อยวางจิตความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงที่สามารถปล่อยวางจิตได้ความพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ตรงที่สามารถบังคับจิตได้นี่พวกเราหนัปฏิบัติจะพลาด คิดแต่จะบังคับมันบังคับมันไปด้วยที่จริงแกมีหน้าที่แค่รู้ตามที่เขาเป็นจนเห็นความจริงของเขารู้ตามที่มันเป็นจนเห็นความจริงวเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยคลายออกคลายออกแต่ถ้าไม่เห็นนะ่คิดจะเอาดีคิดแต่จะบังคับจิตชอบวาดภาพนะพวกเรานะปฏิบัติวัดภาพว่าพระอรหันต คือคนที่สามารถฝึกจนจิตดีถาวรได้จิตสุขถาวรได้คำว่าถาวรก็ขัดกับคำว่านิจจังคำว่าสุขมันก็ขัดกับคำว่าทุกขังคำว่าบังคับได้ก็ขัดกับอนัตตาบังคับไม่ได้ดูออกไห้จิตเป็นของบังคับไม่ได้เขาจะทำงานเขาก็ทำของเขาเองนะบังคับเขาไม่ได้หรอกมันรู้ให้ตรงความเป็นจริงไปเรื่อยๆถ้ารู้ไม่ทันก็ปลุงแต่งยาว เช่นใจลอยเนียปรุงยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้นะหรือไปนั่งแช่ทําสมาธิแล้วเอาใจไหลลงไปแช่นิ่งๆซึมๆึมอยู่ก็ไปอยู่อย่างนั้นได้เป็นปีๆก็ได้ไม่เกิดปัญญาหน้าที่ก็ค่อยรู้ไปรู้ไปรู้ไปจนเป็นเข้าใจก็เข้าใจเรียกว่าปัญญา พยายามเคลื่อนไหวนะทำกรรมฐานที่กระดุกกระดิกไว้เดินจงกรมอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวมันจะช่วยให้ใจลอยไม่นานอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยถ้าใจลอยนะเดี๋ยวเดินตกทางแล้ว <c oughs> แต่ก็มีนะบางคนใจลอยจริงๆตอนหลวงพ่อบวชครั้งแรกที่วัดชนประทานมีพวกที่บวช ด, ด้วยกันอะตกค่ำเย้มมืดอะไรนี้ก็ต้องไปภาวนาที่ศาลาทายวัด เป็นศาลามุงลวดนะมุ้งตรงโปร่งทั้งหลังเลยนี่เดินเดินเดินไปนะเดินอยู่ในศาลานะหัวยุงอะเดินนัททะลุลงข้างล่างไปเลย <c oughs> เป็นเคลิบป่าจะรู้อีกทีนี้เพื่อนด่าแล้วยุงเข้ามาเต็มศาลาแล้วนะป่าทะลุเอ็น <c oughs> รู้สึกตัวได้ดีอย่าให้ขาดสติสติสําคัญที่สุดเลย มีสติมันก็สามารถรู้กายรู้ใจได้หากสติมันก็ลืมกายลืมใจถ้าเราได้รู้กายรู้ใจบ่อยๆในที่สุดปัญญาคือความเข้าใจก็เกิดเข้าใจความเป็นจริงของกายเข้าใจความเป็นจริงของใจกายนี้เป็นก้อนทุกข์คนทั่วๆไปคิดว่ากายนี้ก็ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ถ้าเราจเจริญสติเราจะเห็นกายนี้ทุกข์ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์อยู่ทุ ก, อ, ทกอิริยาบถ ขนานอนต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์หายใจเข้าหายใจออกก็เพราะว่ามันทุกข์ไม่หายใจเลยก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์อีกงัถ้าเรามีสติรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงว่าจริงๆมันเป็นก้อนทุกข์แล้วจากกายนี้เป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเข้าใจความเป็นจริงของกายก็จะคลายความยึดถือกายลง เวลาเราไม่สบายมากจะตายเราจะไม่ทุรนทุรายนะเราจะรู้ว่าตัวทุกข์มันจะแตกแล้วไม่ใช่ตัวดีจะตายถ้ารู้สึกตัวดีจะตายตัวเราจะตายไม่จะทุรนทุรายเห็นว่าตัวทุกข์ใกล้จะแตกแล้วถ้าแตกก็แตกไปสิป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีเนี่ยใจที่คลายความยึด ถ, ถือก็อจะคลายความทุกข์ออกไปด้วยนี่มาดูจิตดูใจจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงความจริงของจิตก็คือไม่เที่ยง ดูออกไม่เปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจเดี๋ยวไปคิดอนะไรเงี้ยะเดี๋ยวไปลงมือปฏิบตัติเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวโลคโกรธโลงสารพัดเลยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือ น, นแต่แสดงความไม่เที่ยงนี่พวกเราคิดแต่จะทําใจให้เที่ยงคิดว่าทำใจให้เที่ยงแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงมันจะยันให้ดูเลยจิตนี้ไม่เที่ยงหรอกรู้ความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญา เห็นอีกจิตเป็นของบังคับไม่ได้เขาจะสุขหรือเขาจะทุกข์เราเลือกไม่ได้เขาจะเป็นกุศลหรือเขาจะเป็นอกุศลเราก็เลือกไม่ได้เขาจะไปทางตาไปทางหูหรือเขาจะไปทางใจเราก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะเผลอก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วจะให้อยู่นานๆให้รู้สึกนานๆก็ไม่ได้อีก ถ้ามีแต่คาว่าไม่ได้เนี่ยเอาของจริงไปให้มันดูนะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญานะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของมันถ้ารู้กายก็เห็นกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นจิตก็จะเห็นจิตไม่เที่ยงะอันนี้จางดูง่ายจิตเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้จะตัดข้างกันนิดนึงนะคําว่าอนัตตามีหลายนัยยะ อนัตตาของกายเนี่ยเห็นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเ ป, เป็นวัตถุจิตไปอาศัยอยู่ในวัตถุก้อนนี้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะเจะเห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวเราส่วนจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจนี่ก็เป็นอนัตตาอีกมุมหนึ่งบังคับมันไม่ได้ ถ้าเรารู้ลงไปนะในที่สุดก็คลายความยึดถือจิตแต่เดิมคิดจะทำจิตให้ดีคิดจะทำจิตให้สุขให้สงบถาวรรู้ความจริงแล้วทาไม่ได้หรอกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะใจจะคลายความยึดถือคลายความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของออกนะขั้นแรกก็จะละความเห็นผิดว่ากายกัใจคือตัวเราเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้พวกเราแต่ละคนจะมีสักกายทิฏฐิในนี้ในตัวเราเนี้ยจะมีเราอยู่คนหนึ่ง เราคนนี้ตั้งแต่เกิดเกิดเราคนนี้เดี๋ยวนี้นะก็ยังเป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมว่ามีคนเดิมอยู่นี่แหละสักกายทิฏฐิแต่ถ้าปัญญามันเกิดมันเห็นเลยจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมีลักณะนะจิตของเราเนี่ยเหมือนกับคนตั้งหลายคนเน่ะเดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนร้ายนะเหมือนตัวละครตัวหนึ่งที่เราไปดูเหมือนข้าเดี๋ยวก็แสดงบทรกักเดี๋ยวแสดงบทโศกเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเหมือนตู้ละครอนะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรา พอเข้าใจความจริงแล้วโอ้ไม่ใช่เรานะหาเราจริงๆไม่มีบางคนพอเริ่มกระเส็นกระสายว่าตัวเราไม่มีรูปก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เรานะก็จะเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาบางคนเกิดความกลัวโอยเราหายไปแล้วความกลัวก็ให้รู้ว่กลัวนะจนใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางบางคนก็เกิดเป็นทุกข์มากเลยรู้สึกเป็นทุกขนะ์เห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษกายนี้ก็เป็นทุกข์ ใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆก็ให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางอีกบางคนก็เบื่อใจนี้น่าเบื่อใจนี้น่าเบื่อหาความสุขจริงๆไม่ได้เ บ, เบื่อเบื่อก็รู้อีกนะใจก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่พาใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางเนี่ยเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลอะใจจะเลิกดิ้นรนใจที่มันดิ้นรนมันตรุงแต่งเรือมันมีสังขารใจที่เลิกดิ้นรนมันจะเป็นวิสังขาร นิพพานคือวิสัง ข, ขารจะหยุดการดิ้นรนเข้าไปถึงความสงบสุขภายในจะค่อยฝึกไปเบ<ม>ื้องต้นก็ละความเห็นผิดเมื่อกายกับใจเป็นเราได้เพราะว่าเห็นความจริงแล้วไม่ใช่เราดันั้นเราละความเห็นผิดได้ด้วยการเห็นความจริงใ น, ะนะตําราในพระไตรปิฎกขึงสอนละสักกายทิฏฐิได้ด้วยทัศนะด้วยการเห็นความจริง น, ะ น, ะนิสัก กายะทิฏฐิถูกละไปแล้วสังโยชน์เบื้องสูงขึ้นมาเนี่ยละด้วยภาวนาด้วยการเจริญสติต่อไปละด้วยคนละอันกันสกายาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดก็ละด้วยการเห็นถูกส่วนที่เหลือเนี่ยละด้วยการมีสติคอยรู้คอยดูไปคอยรู้คอยดูไปในที่สุดปัญญามันเกิดนะมันจะเห็นเลยว่ากายนี้รืออารมณ์ภายนอกที่เป็นของห่าง พวกเราเริ่มเห็นยังกายเป็นของห่างๆเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ไกลๆเห็นยังเห็นนะถ้ามีสติขึ้นมาก็จะเห็นยังคุณมนลจะเห็นนะะคุณคณิษฐาให้เห็นคุณพุทธเห็นอยู่เป็นของอยู่ห่างๆเวทนาความรู้สึกสุครู้สึกทุกข์สังขารที่เป็นกุศลเป็นอกุศลรู้สึกเป็นของห่างๆเป็นของถูกรู้ถูกดูโยเห็นบ้างไหมหรือมันอยู่แนบอยู่เป็นก้อนเดียวกับจิตตลอด เห็นไหมเป็นของถูกรู้ถูกดูนะค่อยดูไปเรื่อยๆใ น, นสุดมันจะค่อยๆลอกค่อยๆ ล, ลอกกลับกล้วยออกไปลอกไปทีละชั้นทีละชั้นนะจนเข้ามาถึงตัวจิตวันหนึ่งก็จะเห็นตัวจิตไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเป็นก้อนทุกข์ก็ลอกกับกด้วยอันสุดท้ายออกก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่นะเป็นความว่างแร่ทั่งตัวจิตก็ปล่อยวางไปถ้าปล่อยวางจิตได้ก็พ้นทุกข์แล้ว ถ้าปล่อยวางจิตไม่ได้ก็อยากให้จิตมันมีความสุขอยากจิตมันพ้นทุกอยากให้จิตมันดีอย่างเงี้ยก็เกิดการดิ้นรนทํางานทั้งใจทั้งมากมายแต่ถ้าปล่อยวางจิตได้ไม่มีใครจะเป็นตัวเราแล้วนี่ไม่เห็นจะต้องดิ้นรนให้พ้นทุกที่ไหนอีกเลยไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขที่ไหนอีกเลยตรงที่มันหมดการดิ้นรนนั่นแหละมันมีความสุขจริงๆเลย ใจที่มันดิ้นรนใจที่มันหิวโหยตลอดเวลานะหาความสุขไม่ได้ดิ้นมาตั้งแต่เด็กยันแก่ยันตายนะคุณโยมบุญรักรู้สึกไหมพอลราอายุเยอะขึ้นนะรู้สึกวันไหนมันไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีความสุขต่อไปพอแก่มากใกล้จะตายทรมานถ้าตายซยได้จะมีความสุขเนจนถึงตายยังหาความสุขไม่ได้เลยคีแต่ว่าท่าท่าอย่างนี้เราจะสุขท่าอย่างนี้แล้วสุข เนี่ยพราะว่าเราไปสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเราอยากให้มันมีความสุขแล้วก็ดินน้นรนจะหนีความทุกข์ไปเรื่อยแต่ถ้าเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะการดิ้นรนนี้ไม่มีความหมายอะไรงั้นอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของขันห้าของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราเรามีอวิชชาเราก็คิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเรียกว่าไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้ว่ากายนี้กาใจนี้เป็นตัวทุกข์คิดว่าเป็นตัวเราก็เกิดความปรุงแต่งเกิดการดิ้นรนที่จะให้จิตใจนี้มีความสุขเรียกว่ า, าวิชาปัจญาสังขาร า, าวิชาความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์นี่ไม่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคิดว่ากายกระใจเป็นตัวเราก็เกิดการดิ้นรนปรุงแต่งเพื่อจะหาความสุขเพื่อยะหนีความทุกข์ดิ้นรนสามแบบ แบบที่หนึ่งดิ้นไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอันนี้เป็นวิธีหาความสุขแบบสัตว์ทั้งหลายนะอย่างเราผู้ไม่ปฏิบัติกนะ็จะหาความสุขด้วยวิธีนี้เช่นไม่สบายใจก็ไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินมาป้อนมันแล้วจิตใจจะได้มีความสุขไปหาของอร่อยกินแล้วจะได้ผ่อนคลายมีความสุขไปให้คนบีบคนนวดอย่างคุณวุฒิเครียดเครียดยไปหาหมอนวดนะเขานวดนวดนะ สัมผัสทางกายรู้สึกผ่อนคลายนี่หาความสุขด้วยวิธีนี้หาอารมณ์หาอารมณ์อันนี้เป็นการไหลาตามเป็นการไหลาตามกิเลสเลยเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลหรือเรียกว่ากามสุขขันธริการนุยโยคนะอีกพวกหนึ่งพวกชาววัดเห็นว่าลำพังวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเนี่ยให้ความสุขได้ชั่วคราวแวบเดียวนะพอความสุขนั้นซ้ำซากก็หน้าเบือ่อ ต้องไปหาอานใหม่พวกนี้ก็พัฒนาขึ้นมาคิดว่าถ้าเราฝึ ก, กจิตฝึกใจของเราให้ดีฝึ ก, กจิตฝึกใจของเราให้สงบได้เราจะมีความสุขเพราะจะคอยควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจเป็นการฝึกตัวเองให้ดีก็เรียกว่าปุญญาีิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีอีกชื่อหนึ่งก็คืออัตกิลมาฐานโยกการบังคับตัวเองนทางสุดโตงอีกข้างหนึ่ง อีกพวกหนึ่งฉลาดไปกว่า น, นั้นอีกเห็นว่าลําพังฝึกจิตให้ดีแล้วนะจิตยังต้องกระทบอารมณ์อยู่จิตก็ยังหวั่นไหวได้อีกอย่างนี้ไปอยู่ในถ้ำมานานเลยพอออกมาข้างนอกนะั้นมันกระทบเขายังหวั่นไหวได้อีกพวกนี้ก็พยายามฝึกที่จะไม่ให้กระทบอะไรเลยเรียกว่าฝึกอนเนญชาที่สังขารฝึกเข้าอารู้ปรชานไม่มีใครมาคุยด้วยได้ละไม่มีอะไรกระทบกระทั่งสบายเนั้นสัตว์โลกเนี้่ก็ดิ้นรนเพื่อจะหนีความทุกข์ สมแบบหนีโดยเที่ยวสแสวงหาอารมณ์หนีโดยบังคับจิตบังคับใจตัวเองหนีโดยหลีกเลี่ยงการรู้อารมณ์มีหลายแบบแต่รากเหง้าของมันก็คืออันเดียวกันคิดว่าจิตใจนี้แหละคือตัวเราพระพุทธเจ้าสอนอีกทางหนึ่งวิธีหนีอย่างนี้วิธีเที่ยวสแสวงหายอย่างนี้ไม่พ้นทุกจริงท่านสอนให้เราหันหน้ามาเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา หันหน้ามารู้กายหันหน้ามารู้ใจตัวเองเผชิญความจริงลงไปไม่หนีนะไม่หลีกเลี่ยงไม่บังคับเขารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นวันหนึ่งปัญญาเกิดรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะอาวิชชาถูกทำลายลงไปอวิชชาถูกทำลายลงไปความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตก็จะไม่มีจิตที่พ้นความดิ้นรนพ้นความปรุงแต่งก็คือจิตที่เข้าถึงนิพพานนั่นเอง นิพพานคือปานไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งหมดความอยากหมดความหิวโหวยในใจหมดการดิ้นรนในใจนี่เราจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้ออาใครจะส่งกันบ้านวันนี้สอนเร็วนิดหนึ่งนะเพราะจะต้องเลิกเร็วเดี๋ยวพระจะมาเยอะเลยเมื่อวานก็พระมาแปดหงวันนี้ก็จะไล่ๆกันพระวัดป่าสุขโต ส่งข้อความเขียนนัไม่ได้มานะเออรู้สิท่านมาอ้าวพวกเราคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญอย่าถามเยอะนะถามนิดหน่อยจริงๆเรียนธรรมะด้วยการฟังไม่ได้ผลหรอกธรรมะเรียนได้วิธีเดียวนะคือดูของจริง รู้ไหมตอนนี้กําลังคิดอยู่รู้ว่าคิดจะตั้ตงคำถามในใจอ่นั่นแหละให้รู้ทันว่ากําลังคิดอยู่นั่นแหละเรียกว่ารู้<ต>เนี่ยอยากพูดรู้ไหม<ต>เห็นความอยากพูดดันในอกเราไหมเดี๋ยวให้อยากใหม่อ่าอะไรพูดไปซิ ร, รู้สึกไหมตอนเนี้ยเผลอไปแล้วลืมกายลืมใจตัวเองตอนที่พูดเนี่ยรู้สึกไหม เป็นอินกับการพูดรู้สึกไหมเนี่ยการที่เราลืมกายลืมใจเรียกว่าไม่รู้การที่รู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้สังเกตไหมตอนที่หนีไปคิดไปรู้เรื่องที่คิดเราลืมกายลืมใจะเนี่ยตอนนี้หนีไกคิดอีกแล้วลืมกายลืมใจนึกออกไหมแยกได้อย่างว่ารู้กับคิดต่างกันยังไงไม่ห้าม อแต่อยากเวลาคิดนะให้รู้ทันเร็วๆว่าคิดยกเว้นนะยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดต้องไปคิดให้รู้เรื่องไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่ถ้าเป็นเวลาเจริญสติจิตแอบไปคิดรู้ทันเลยว่ามันไปคิดแล้วเราจะตื่นขึ้นในฉับสันเราจะรู้กายเราจะรู้ใจตัวเองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมยอยากพูดรู้สึกไหมเห็นแรงตักดันไหมมันบงการให้เราพูดไในหาดเรียนรู้นะกิเลสมันเกิดในใจเรา กิเลสสั่งให้เราพูดมีความอยากพูดเกิดขึ้นนึกมีตัณหามีความอยากพูดนะเราไม่รู้ทันมันก็วงการพฤติกรรมของเราพฤติกรรมทางกายทางวาจาพฤติกรรมทางใจเช่นทางใจก็คือไปคิดคิดหาคำพูดนะทางกายทางวาจาก็อ้าปากในทางกายวาจาก็พูดออกมาตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมนีม่เห็นไหมแค่นี้เองเรียกว่ารู้รู้ก็คือรู้ทันตัวเอง รู้ทันพฤติกรรมของใจตนเองนั่นแหละหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมหลวงพ่อบอกแล้วนึกออกไหมนั่นแหละให้ตามรู้ไปไม่ใช่ให้ไปดักไว้ก่อนนะใจเกิดความอยากพูดรู้ว่าอยากพูดใจอยากคิดรู้ว่าอยากคิดใจมันอยากยังไงคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆตามรู้ไปให้มันอยากขึ้นก่อนแล้วก็รู้อยากแล้วก็รู้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งจ้องไว้ก่อนนะ การเจริญสติที่แท้จริงก็คืออะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยตามรู้เอาคาว่าตามรู้นี่สําคัญมากนักปฏิบัติจำนวนมากชอบไปดักเอาไว้ก่อ น, น, นเช่นเคาะระคังแก้งเริ่มปฏิบัติก็นั่งเฝ้านั่งจ้องนั้นเป็นแต่สมถะส่ว น, นการตามรู้เช่นเราเห็นคนนี้เดินมาเราดีใจความดีใจเกิดก่อนแล้วเราก็รู้ว่าดีใจเห็นคนนี้เดินมาเราเกลียด ความเกลียดเกิดขึ้นก่อนแล้วเรารู้ว่าเนี่ยความเกลียดเกิดขึ้นแล้วใจลอยหนีไปคิดก่อนหนีไปคิดอยู่ยแป๊บหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ้าหนีไปคิดแล้วอย่างนี้เรียกว่าตามรู้ต้องตามรู้นะอย่าไปดักไว้ก่อนนักปฏิบัติชอบไปจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนแล้วมันจะนิ่งๆมันจะไม่เจริญปัญญาจะปัญญาจะเจริญช้ามากเลยอย่างพี่แอดรู้สึกไหมใจลอยไปแล้ว ใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยแต่ถ้าพี่แอดกลัวจะใจลอยพี่แอดจะนั่งเฝ้าตรงนั่งเฝ้าเนี่ยจะแข็งทื่อๆตัวนี้ที่ติดอยู่นะงั้นเราจะไม่บังคับไม่ก่อนความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้เอาใครๆก็รู้สึกเป็นนะสลพ่อเคยถามเด็กเล็กๆ อ, อยากกินไอติมเคยรู้ไหมอยากกินไอติมรู้จักอยากดูการ์ตูนเคยเป็นไหมก็รู้จักอีก รู้สึกไหมแต่ละวันนี้รักแม่ไม่เท่ากันเด็กเล็กยังรู้สึกเลยนั่นแหละคือการที่หัดดูจิตตัวเองแ่ะไม่ใช่พวกเราดูจิตตัวเองไม่เป็นพวกเราละเลยที่จะดูมากกว่าเราชอบไปคิดเอาทุกเดียวชอบหนีไปคิดเราจะไม่บังคับตัวเองนะไม่บังคับจิตจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นยังไงก็ตามไปตามรู้ไปดูไปดูปดเล่นๆ เ, เหมือนดูคนอื่น อย่าอยากปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าอ้าวต่อไปนี้เริ่มปฏิบัติพอคิดเริ่มปฏิบัติแล้วก็เริ่มไปนั่งจ้องจ้องไว้เริ่มบังคับตัวเองแต่สมมติว่าเราฟังเพลงกเพลงหนึ่งเพลงนี้ฟังแล้วเพราะชอบใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ได้บังคับไว้ก่อนไม่ได้จงใจจะรู้แต่ความรู้สึกมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาเนี่ยไม่ไปดักไว้ก่อนถ้าดักไว้ก่อนจะนแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมา นีไปคิดแล้วทราบไหมทําอะไรอยู่เพื่อดำ อ, ะอ่ะตอบถูกเห็นไหมรู้แล้วว่ารู้นี่แหละคือรู้แหละรู้ก็คือมันเหม่อไปแล้วเรารู้ว่าเหม่อแต่ต่อไปหลวงพ่อไม่ต้องบอกต่อไปพอจิตมันเหม่อมันก็จะรู้เองเพราะว่ามันเคยรู้จักแล้วว่าเหม่อเป็นอย่างอยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมดูไปไม่ต้องคุยอื้อ <c oughs> ได้ได้ไม่มีใครห้ามหรอกรู้ไหมว่าจิตที่คุ้นเคยกับความเมื่อถ้าตายแล้วจะไปเป็นอะไร <c oughs> เป็นเดรัจฉานะฉนะสังเกตไหมพวกหมาพวกแมวอยู่ตัวเดียวฉเฉยๆนะจะเมื่อเมอ่ในภูมิของความเม่อไม่ดีนะอยากฝึก พระโพธิละโพธิละพระไบลันเปล่าพระไบาลานเปล่าเป็นเป็นพระผู้ใหญ่นะสมัยพุทธกาลแตกฉานธรรมะมากเลยจําได้เยอะแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเวลาพระโพธิละเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าย่าถูกพระพุทธเจ้าแซวท้าเรียกโพธิละโพธิละท่านไม่ได้ชื่อโพธิละโพธิละเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกแปล ว, ว่าไบาลานเปล่า คือมีแต่เปลือกอ่ะไม่มีเนื้อหานี่ท่านโดนเรียกหลยผลท่านอายท่านเลยหนีออกจากวัดบ้านนะไปอยู่วัดป่าไปถึงก็ไปหาอาจารย์ใหญ่วัดป่าขอเรียนกรรมฐานอะาจารย์บอกสอนไม่ไหวความรู้ท่านเยอะกว่าผมท่านก็ไม่มีทิฏฐินะท่านไม่มีมานะท่านก็เที่ยวไปถามพระรอ ง, งมาเรื่อยๆก็ไม่มีใครยอมสอนถามห้จนถึงเนรเล็กๆอายุเจ็ดขวบเอง เน้นบอกผมจะสอนหลวงพ่อก็ได้ผมสอนหลวงปู่ก็ได้เนะแต่ว่าต้องเชื่อฟังนะคล้ายๆอีกขิวสั่งนะ <c oughs> อ้าวพระโพธิลาท่านก็ไม่มีมานะท่านบอกอาท่านจะเชื่อฟังเน้นบอกลุยลงไปในลำธารเลยนะลงบ่อลงน้ำเนี่ยท่านลงจริงๆนะทั้งๆที่ใส่จีวรเน้นสั่งก็ลงพอลงพระชายจีวรเปียกน้าเนนบอกอ้าหยุดก่อนข้างๆตลิ่งเนี่ย มีจำปลวกอย e um um, ู่จมปลวกหนึ่งมีรูหกรูเพี้ยตัวหนึ่งอยู่ในจมปลวกนี้นะถ้าหลวงปู่อยากจะจับเพี้ยตัวนี้ให้ได้นะให้ปิดไว้ห้ารูเฝ้าอยู่รูเดียวพระโพธิลาปิ้งเลยพอได้ฟังทำพระพุทธเจ้านิดเดียบบรรลุไปแล้วคือแต่เดิมท่านทํากรรมฐานไม่เป็นท่านไม่รู้จะเริ่มที่ไหนแท้จริงกรรมฐานทําที่ใจเรานี่เองทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ต้องใส่ใจกับมัน พอตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วนี่ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นที่ใจมีสติรู้ลงที่ใจเลยจะเห็นในจิตใจเดียเด๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะนี่ท่านก็บรรลุง่ายๆก็มีแค่นี้แหละจิบรู้สึกไปจิไม่บังคับนะไม่บังคับทําสบายทําใจให้สบายทําธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุด จิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดนั่นแนหะดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจของมนุษย์ปกตินี่แหละเป็นจิตที่เหมาะกับธรรมะพระพุทธเจ้าเลยเลือกตรัสรู้ในภูมิของมนุษย์นี่ถ้าหากเราไปบังคับจิตให้นิ่งให้สงบเลยเนี่ยแล้วจิตอย่างนี้เหมาะกับการบรรลุธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเลือกไปตรัสรู้ในพรหมโลกในรูปปรมม อันี้ท่านเลือกในภู้มนุษย์ว่าผู้มนุษย์จิตใจปกติของมนุษย์เนี่ยเหมาะกับธรรมะมากที่สุดเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเขาก็สุขเดี๋ยวเขาก็ทุกข์เดี๋ยวเ้าดีเดี๋ยวเขาร้ายเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูไปตามรู้ตามดูไปอย่างสบายๆนะแบบไม่อินกับเขาอ่ะเขาเป็นยังไงก็ตามรู้ตามดูไปตามรู้จนกระทั่งรู้ความจริงของเขาเขาเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตใจไม่ใช่ตัวดีหรอกไม่ต้องไปฝึก เพื่อ ว, ว่าจะให้เขาดีถาวรให้เขาสุขถาวรจิตใจจริงๆเป็นตัวทุกข์ทำให้เป็นตัวสุขไปไม่ได้หน้าที่เรียนรู้จนจะตั้งใจยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงเขาจะปล่อยวางพระโสดาบันเมื่อลาสักยาติทิฐิแล้วเนี่ยงานที่เหลือก็คืองานคอยรู้ทันจิตใจตนเองไปความปรุงแต่งมันก็จะละเอียดประณีต คอยรู้คอยดูในที่สุดจะเห็นจิตนี้เองเป็นตัวทุกข์จิตไม่ใช่ตัวดีนั้นเราไม่ได้ไปฝึกเพื่อให้จิตดีให้จิตสงบหน้าที่ของพระโสดาบันรู้ลงไปที่จิตรู้จนเห็นความจริงนะรู้จนปล่อยอทีแรกรู้ก็จะเห็นเลยว่าปัญญามันจะเกิดเป็นลาดับลำดับไป ปัญญาเบื้องต้นปัญญาของพระโสดาสกิทาคานันก็คือการที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนะปัญญาขั้นกลางของพระอนาคาาก็คือรู้ว่าจิตเนี่ยโดยตัวของมันเองประภัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสนะถ้าจิตไม่ไหลาตามกิเลสไปจิตตั้งมั่นจิตมีความสุขอยู่นะจิตไม่ทุกข์นี่เป็นภูมิรู้ขั้นกลางเท่านั้นนะแต่ภูมิปัญญาขั้นสูง จะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าขันท่าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าขันบางอย่างเป็นทุกข์บางอย่างไม่ทุกข์ภูตุชนก็จะรู้สึกว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างภูมิของพระนาคาก็จะรู้ว่าถ้าไม่อยากถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถ้าอยากถ้ายึดถึงจะทุกข์ยังมีเงื่อนไขแต่ภูมิที่จะเดินใรหัสมรรคเนี่ยก็จะเห็นว่า ตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ขันนั่นแหละตัวทุกข์ไม่มีข้อแม้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยตราบใดที่เขายังเห็นว่ามันสุขว่างทุกว่างเขาก็จะพยายามเอาสิ่งที่ดีพยายามปลักสิ่งที่ไม่ดีการงานของจิตก็ยังไม่สิ้นสุดแต่ถ้าวันใดนะเห็นความจริงว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตนี้แหละตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวที่ต้องทาให้เขาดีถ้าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ย จิตเขาจะปล่อยวางความยึดถือจิตเองคล้ายๆแต่เดิมเราไปคว้าอะไรขึ้นมาก้อนหนึ่งเรานึกว่าเผ็ดทั้งก้อนเลยพอแง้มมือออกมาดูจะเป็นงูตัวหนึ่งอย่าเงี้ยจะโยนทิ้งมันทิ้งของมันเองคนทั้งหลายจะเข้าไม่ถึงอริยสัจคือเข้าใจไม่ถึงความทุกข์คิดว่าขันเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะก็พยายามดิ้นหาความสุข ในพระอริยะเจ้านะตามลำดับที่ยังไม่จบจิตเนี่ยก็ยังเห็นอย่างนั้นเหมือนกันก็ยังเห็นว่าถ้าจิตเนี่ยถ้ารักษาให้ดีจะมีความสุขยังมีจิตที่มีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ประพัดสอนนี่เป็นจิตที่มีความสุขนะแต่ถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูด้วยสติด้วยปัญญานานๆไม่บังคับเขานะไม่ไปบังคับเขาให้นิ่งให้ผ่องใสให้สงบ จะเห็นเลยเขาแปรปรวนตลอดเลยเขาเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยวันใดที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตไม่ใช่ตัวดีมันจะกว้างจิตทิ้งเลยจะสลัดทิ้งเลียกปฏินิสส า, าการสลัดคืนคืนกายคืนใจให้กับโลกภิท่าให้กับธรรมชาติไปคราวนี้จะอยู่กับโลกแบบไม่ติดข้องกับโลกเลยความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้เพราะเห็นความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์นันเองนะไม่ใช่ไปพยายามทําให้มันเป็นตัวดีเป็นตัวสุ